ส บ, บ า, ายเรามาเนกาการความฟุ้งความจุมวานยนั่งให้สบายสบานั่งให้สบายนี่กดในเกียวางผ้าวางทางตานาผาเผยยิ้มแแ่มใสนั่งให้สบายเนี่ไม่ต้องขับข้องอะไรเนี่กายเรียสบายแล้วใเป็นเงียบเข้มขืนสงบจิตใจาคนสงบวางเรื่องใจส บ, บาย หายใจสมายนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมก็สง่าเชื่ออยู่ในใจแม้เชื่อในใจแล้วกายเลิกโเราบริกรรมภาวนาวา่าอย่างนี้เลิกสามเนจะกาททร์พุทธโธธรรมโธสังโฆ ท, ทุทโธธรรมโธสังโฆพุทธโธธรรมโธสังโฆ ส, สามทหตุแล้วรวมเอาคำเดียว อะไรก็คอท้อคือคือเดียวลับตางรับปากนะอะไรเล็กก็ไม่ตายดื้อจะไม่กระดกกอันนี้คือท้อคือโอพระคือความรล้ความรล้ตัมาลาแล้วกำหนดไว้ตนั้นตั้งรับดดูติดด้วยหูแล้วกงฟังคือเลกนัตาแล้วก็พ่นไปอะเลกนันงเลกนันคือท้อคอคือความรู้ เวลาส ม, มาธิภาวน า, ว า, เ, าเรามาพิจารณาเด่นตจของเราเวลานี้ตจของเราสงบเป็นส ม, มาธิส ม, มาธิคือจิตตั้งม่นตั้งเที่งงทยงตั้งกลมในทรงไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะธรรมกลางหน้าอกของเราคือความโลภนะคือสัพพะความโลภความโลภตั้งมั่นตั้งสที่ยงแบบนั้น มือเราเลืได้ของเรามีจิตของเราเราอยากเลอ่ะมันเป็นกุศลนี่กุศลเม่อเป็นกุศลมันก็จิสงบเ็นสมาธิมีจิตของเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจหายทุกข์หายง่ายหายความลำบากลำคามีประความสว่างสายความของใสเนี่จิตดนเนี่ยหละเป็นกุศลนำไปทำกุฮ มันมีความสุขความกระลงในไปจุดบั่มในดวงหน้าหนัก น, น, นกระสุกจุ ด, ด เ, เดียวเนี่ยหมายถงทุกเอือนอันนี้เราเล่ดาวิลาจะอาเทศคือจิตาไม่ดีมันวุ่นวายด้วยร้านทุกข์หน้ามักหน่วงาเงาห้นาน้ำทุกข์คือจิตไม่สงบมันเพเยพยายพวะ า, าวตัว น, น, นีตัวนี้เป็นทุกข์คือไม่ดีแลยแต่ทุกข์ทุจรยา ทำอะไรแต่เนีหาอะไรแต่เนี่ยมันยากคือนีน้อแหละไม่เนี่ยเป็นใจไม่ไหวโอ้จิตเดินเนื้อมันกัดทัายเปทุกข์่านง่อาอะไรเห็นแล้วความทุกข์ิตนีความยากนี้ใครจะ็น้าใครจะเป็นมาเดี๋ยนี้เราเป็นเองเมเราเป็นเองเราก็เป็นคนทุกข์คนมากาเสื่อไม่ไหวเลยอืมทุกข์เกินมาทำมันโลภมันเห็นก่อนนี่หละใครตายขอปฏิบัต งานคนหนึ่งเห็อดีตนานาครับบางคนดันดวงดีเดือนดีแล้วไปเชื่อเขาไงเขาว่าโกหกเราเราดูดีเดืองดียังไงเดือนดีเรือมาะไรสั้นๆนะใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจอ่าใจสบายทำอะไรสบายนี่ครับนี่เขานี่หมยว่านี้เดือนดี ดวงไม่ดีหกอใจไม่ดีใจไน่ทุกข์งอทุนวายเด้อดร้อนขัดข้องเงี้ยเดืองฮะอ่าเนี่ยดวงไม่ดีในใจดวงจป็นเพราะอากาศมันจะมาทำให้เรานี่เราทำมาทั้งหมดคูสอนมาคูสมนใ้เพิ่งรู้เพิ่เห็นกิดต่อไปเนี่ยละใจใจวายเนี่ยลาวการกับเวทการปฏิบัติเสียหักไ้หาแต่การหนึ่งถึงอดีตอนาคต อดรือมาแล้วดีก็ดีมาแล้วเอกเชื่อมาแล้วมาแค่ชั่วหน้ามันยังไม่มาถึงจะเป็นยังไงวนี้เปลี่ยนี้ปีหน้าฮะเราตั้งโดยไปจตบันเดนี้ที่จิตปั่นนันจะโยานังตถาทัตไทยสัจตุเราโด่ไปจิตบันเรานั่งมีเดนี้อยู่เพื่อจิตของเราเป็นอะไรมันวางหรือมันมึดหรืมมันเบาหรือมันสบาย อันนั้นกจากด้วยทำเนื้อดดีมันก็นดีอนาคตมันก็นดีอ่าเป็นยังไงอืมทำเนื้อแงคนตายได้เกิดไหมเด้อดิห้ามได้ไม่ความเกิดห้ามความเกิดทำยังไงละ่ะมากาะาระทบอาหัรมาห้ามได้ลาวห้ามไม่ได้องิ้งอยู่กับไงสามสิบนาทีเลยไงนาทีนั้นก็ทั้งว่าฮ่าไม่จะไปเชื่อต่อทอด ต, ต่อไทยอยู่ าเางสัมพรางจิตเ น, น, นื้อเท่ยวเฉพาใหญ่เนี่ยตอนั้นลรวก็แพ่งเดาเม่อมันเลอนเล่นได้นี่แหละข้อปฏิบัติ้พากัานให้เปลกให้เปอนคนตายนี่เราไม่ดูเอืนอนอ่นดูของเราคือเพ่อนขอเรามเอื่นจะล้างดาบล้างกันมจะน่งนั่งสมาธิี่รขันต์เไปเลยหมดขันใหม่กี่ต่ออยู่แล้ว ความกำลังตันยังไงล่ะคือคิดไต่ม่อึดแล้วไม่จะเปลนไปแต่งลกรรมมันชนะที่ไหนล่ะคิดมันิ่ยมันวางมหกเมือกรเบาสมาวอกรรเดืออืมกรรมไเที่ยีกายทันบานเชื้อมงคกถากรรมยังไงายกักรรมาจีกัมาโนกรรมเนี่ยทำไมวะคุณ กรเกิดจระกายเกิดตระจายเกิดะโดงใจสมกายกรรการเกิดจะกายของเราลาจีกรรมการเกิดกระสาหลักม่เากรรมการเกิดจะโด่งความหนึกิตรเวลานี้ใครละกรรมของเรานี่ละนี่จะกรมันดีลาจีกรรมว่าใวรนี่นีจะกรมันดีมันเหลือสมาโนกรรมความหนมมกตราดีระชั่วมันกรรมนั้นเป็นของของต ทำไมถ่ถง้อก่อเป็นไม้สูกขาวาควาอในบ้านนเมืองเานั้นห็นทางนี่นนกรรคันน่ะไมกันสกมมีกันนั้ น, น, น, าา น, น, นเป็นของถังก่อนนี่นยยกรนนาทายะกันสกมีกันยาณตาตะกางว่าถ้าจทายวิชันติเราจะทกรรมใดไว้เป็นอนน่นไม่เป็นบาสนายจะรับผลของการเสียไปรับผลของการสีกไปเพิ่มพิจรารณาไม่เลื่อนเห็นได้ไ หายเรื่อนนยาคือการเรียนเรีนมาสั่งๆคือใจใดดิสบาหายมิดหายเน่อหเมื่อนหเหือกาให้ตาจิตตหตาเบาจนเบาเตบาสบายนี่เรียกันมนี้หาด้การในการเชื่อ่ะจิตคุ้มขันนั่งคนนักงนวลเงงเงาเฮานอนทะเยอยายามดิ้นเดนทลักเลงขึ้นชาติทุกง เนี่กรรมมันชั่โอ้กรรมนยืนเออมอื้อพอเรารู้แล้วเราก็เลิกละม่ใช่เพิกับทำให้แตนี่เขาเลือกจากอะไรกสของเราการเราทาการทำงานอ่าไม่มีเวลาวันนี้เวลานี้โอกาสเป็นที่เวลาเป็นที่แล้วไม่มีอะไรสักอย่างเราดูไปโดนตจาังไงตอนนี้จเราเป็นยังไงอ่าเป็น ทุกเรทเป็นศึกต่างคนกันงเรตต่าไปอยกลุกได้ยังไงชั่นไดผมหมาอยากลุกได้ยึดที่สือไมที่ตามอยากลุกทือเสือมันแล้คือใจดีนีความสงบความสบายนี่เป็นหมดอย่างนี้ที่ตามเนี่ยทีใจมันดีทุกอย่างวุ่นวายเดือด้นนี่มันตามข้าเรตามทำตัง่้ยไห แล้วก็เท่นเรโเดยต่อเนื่องไปตังคนตงังฟังเร่งใัขงเร า, าทุกคนอืมเราทีิบายสายง ท, ยาท่านเดมาฟังด้วยเสียงนี่เรื่อ ง, งในาังนโกรกันเอยู่โ ก, กรกยยกน้อมเข้าไปแต่จะตังในกสมพาตอทันทีกกโก้โค้กปฏิบัติเรื่องขององตังเห็นอะไรใจขงาตามนี่ไปยตมาแต่จะมาที่บาระมาจะนั่งพี่นั่งนั่งที่สบายสบาย เาทำทุกกสิง่งมาย